พน้อมน้อมต่อคุณพระรัตนาไตรขโากาดหลวงพกรมพระอาจารย์นรงค์วิทย์เพื่อนสถาบันอีทุกท่านจเรนจริญธรรมห้่ชีระยะิธรทำทุกท่าน <c oughs> หลังจากออกพรรษาแล้วก็จะเป็นเทศกาลท้อกถินกันเนาะการท้อกถินเนี่ยมีมาอย่างไรนะก <c oughs> ็คือในสมัยพุทธกาลก่อน ช่วงเข้าออกก่อนเข้าพรรษาก็มีพระภิกษุเมืองปาถายิยรัตจำนวนสามสิรูปเนี่ยก็เดินทางมาเฝ้าพระเจ้าทีา่พระเชดวันเมืองสาวัตถีนะแต่ว่าในระหว่างทางนั้นพอมาถึงเมืองสาเกตก็เป็นช่วงที่เข้าพรรษาพอดีนะก็เลยต้องพักจำพรรษาอยู่ที่เมืองสาเกตนั้นแล้วหลังจากที่ออกพรรษาแล้วก็ เดินทางมาเฝ้าพระเจ้าคร้นี้เมื่อเข้ามาที่เมืองสาวัตถีนั้นนะ่ะนางวิสาขามหาอุบาสิกาก็ได้สังเกตเห็นว่ามีพระบางรูปก็มีจีวรที่ขาดวิ่นผุพังไปเพราะว่าใช้มานานแล้วก็เลยมีความคิดที่ว่าอยากจะถวายจีวรใหม่ให้แก่พระจะได้เปลี่ยน ไปใช้ผ้ า, ผาจีวรที่ไม่ขาดก็เลยมาขอประธานพุทธันุญาตจากพระเจ้าในการที่จะทําการถวายผ้า <c oughs> จีวรให้ใหม่แก่พระภิกษุสงฆ์จะได้ใช้เปลี่ยนแทนผืนที่ขาดวิ่นไปพระพุทธเจ้าก็เห็นเจตนานี้ก็เป็นสิ่งดีๆก็เลยอนุญาตในการที่ถวายผ้าฉะนั้น <c oughs> ก็เลยเป็นอาการ ทอยกะถิ่นขึ้นมานล่ก็คือการถวายผ้าผ้านี้ในสมัยกันก็เป็นผ้าผ้านั้นเป็นสิ่งที่หายากมากนะเป็นของที่มีค่ามากเพราะว่าการสแสวงหาผ้าของพระเนี่ยจะต้องไปสแสวงหาตามที่ต่างๆที่คนกระทิ้งเอาไว้เช่นตามป่าช้าบางทีมีผู้ที่นำศพไปแล้วก็ ศพในสมัยเอาก็จะใช้ผ้าห่อไปหุ้มไปนะแเสร็จแล้วก็ผ้าก็ทิ้งไว้ตามป่าช้าก็มีก็บางทีก็เป็นชิ้นเล็กๆ ก, <c oughs> ก็ต้องนํามาจะติดกันต่างๆนํานํานนมาซักก่อนเพราะว่าจะเหม็นจากน้ําเลือดน้ําเหลืองนี่แหละแล้วก็เป็นผ้าที่เก็บมาจากตามที่ต่างๆที่เขาทิ้งเอาไว้จากกองขยะบ้างจากที่ต่างๆบ้างแม้ <c oughs> แต่ที่ว่าเกี่ยวกับการทอผ้าป่าเขามาผ้าป่าก็คือ ผ้าที่เขาทิ้งไว้ตามป่านั่นเองนะ <c oughs> เป็นผ้าที่เรียกว่าเขาทิ้งไว้ตามป่าต่างๆแล้วพระก็ไปไปเห็นแล้วก็ไปบังสกุลมาเขาเรียกว่าเป็นผ้าบังสกุลก็คือเป็นผ้าที่ได้มาจาก <c oughs> ที่เขาทิ้งไว้นั่นแหละที่เราเรียกว่าการทอดผ้าป่าก็เป็นแบบนั้นมาเนาะเพราะฉะนั้นผ้าก็เป็นสิ่งที่มีค่าและหายากมากก็จนมีพระวินัยที่เรียกว่าให้พระเนี่ยคอยรักษาผ้าไว้ ก็คือก่อนรุ่งอรุณ น, นะคือก่อนที่เราจะเห็นไล่มือเนี่ยแหละเป็นเรียกว่ารุ่นรุ่งเราจะต้องรักษาผ้าไว้ให้อยู่กับใกล้ๆตัวเรานะหรือว่าอยู่ในบริเวณกุฏิของเราต่างๆเราเนี่ยถ้าใครใครไม่รักษาผ้าไว้ก็มีความผิดอาบัตผนะ้านั้นจะต้องสละออกไปให้กับพ้าองค์อื่นเนาะเพราะว่าป้องกันขโมยจะมาขโมยผ้านั่นเองนะเพราะว่า บางทีผ้าเนี่ยถ้าเราไว้ห่างจากตัวไปแล้วขโมยก็สามารถขโมยได้ง่ายเพราะฉนั้นก็เลยให้รักษาผ้าไว้ให้อยู่ใกล้ๆกับตัวเพราะว่าผ้าเนี่ยเป็นของสิ่งที่มีค่ามากนะจนก็หลังเล่าว่าขโมยเนี่ยก็จะมาแย่งชิงผ้ากันแล้วนะมีเรื่องเกี่ยงขโมยเนี่ยมาขโมยผ้ากันก็ยังมีเลยนะแสดงว่าเป็นสิ่งที่มีค่ามากจริงๆริงนะ การที่นั่งวิสาขาขอถวายพระจันทนั้นจึงนับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะว่าเป็นสิ่งที่รู้ว่าพ้าเป็นสิ่งที่หายากนะเพรา ะ, ะนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยทรงอนุญาตในตรงนี้นะคราวนี้หลังจากนั้นก็มีการอถวายพ้ากระถิ่นสืบมานะครา้นี้การถวายพ้ากรถิ่นนั้นก็มีในสงฆ์มากเพราะว่าประการแรกนยก็เป็นพุทธอนุญาตของพรุทธเจ้าประการต่อมาก็คือ เป็นสังฆทานนะเพราะว่าผ้าที่นํามาถวายนั้นเป็นเสมือนหลุดของบริสุทธิ์ลอยมาจากกลางอากาศตกลงมาทางกลางสงฆ์ไม่ได้ยาเพาะเจาะจงต่อพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งแต่เมื่อถวายมาทํากลางสงฆ์แล้วเนี่ยก็เรียกว่าเป็นสังฆทานนะนี่ก็มีในสงฆ์มากเพราะว่าสังฆทานนั้นก็ต่างจากปาติบุคลิกทานปาติบุริษทานก็คือการเจาะจงต่อภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง เช่นเราตั้งใจถวายสิ่งเหล่านี้ให้แก่พระรูปใดรูปหนึ่งนั้นก็เรียกว่าเป็นาปาติบุกคิทานก็คือเป็นการถวายเจาะจงแต่ว่าเป็นมหาสังฆทานเป็นสังฆทานนั่นก็คือเป็นการถวายโดยไม่จำเพาะเจาะจงนะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงอนุ ญ, ญาตในตรงนี้ไว้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าหากว่ามีผู้ที่ตั้งใจถวายต่อองค์นั้นนงนี้นะครับหรือว่า เข้าใจว่าคนี้เป็นพระริยเจ้าก็มุ่งเป็นถวายองค์ที่เป็นที่เราคิดว่าเป็นพระริยเจ้ากันเพราะฉะนั้นพระที่ทั่วๆั่วไปที่ไม่มีใครเห็นเห็นว่าท่านเป็นพระริยเจ้าก็จะเป็นผู้ที่ขาดแคลนเครื่องของใช้ต่างๆเพราะเหตุ น, นั้นก็จะทําให้ภาษานาเสื่อมลงไปเพราะจะเกิดเกิดราบแก่กลุ่มหนึ่งแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็จะไม่มีราบ เพราะนั้นการถวายเป็นสังฆทานก็คือถวายในขณะที่หรือว่ามีผู้เจ้าเป็นประธานนะแต่ว่าเมื่อผู้เจ้าไม่อยู่แล้วจะทําอย่างไรนะก็คือพระพุทธเจ้าให้ระลึกในการที่มีพูเจ้าเป็นประธานก็คือการถวายทานทุกครั้งนะจะต้องตั้งน้โมสามจบก่อนทุกครั้งเนาะนะเพราะนั้นบางทีบางคนไม่เข้าใจนะบางทีไปบางแห่งนี่ก็ไม่เข้าใจมาถึงก็ กล่าวคำถวายเลยโดยไม่ตั้งน้ำโมนะันี้ก็เป็นการที่เรียกว่าไม่ได้มีผู้เจ้าเป็นประธานก็จะไม่ได้เป็นสังฆทานสมบูรณ์แบบนะเพราะงัการที่จะถูกต้องนี่ก็ต้องคอยดูไว้นะคอยดูบางทีเจ้าภาพคือต้องมีคนที่ดําเนินพิธีเป็นนะต้องบอกว่าเออตอนไหนทําอย่างไรตอนไหนบูชาพระขอศีลแล้วก็ต้องบอกว่าต้องมีการตั้งน้โมก่อนนะถ้ามีผู้ดําเนินพิธีเป็นก็จะก็จะทํําทาได้ถูกต้อง แต่ถ้าไม่มีใครที่ดำเนินพิธีเป็นก็เจ้าภาพมาถึงก็ยกผ้าแล้วกล่าวคำถวายเลยไม่มีการตั้งน้ำโมนั้นนี่ก็จะไม่ถูกต้องว่าต้องให้มีพระเจ้าเป็นประธานนะเพราะการถวายทานไม่ว่าจะเป็นกระถินพระป่าหรือสังฆทานก็ต้องตั้งน้ำโมก่อนทุกครั้งอันนี้เพื่อว่าให้มีพระเจ้าเป็นประธานในตรงนั้นและว่าเป็นสังฆทานเนาะ เนีก็คือการที่ถวายเป็นสังฆทานนี้ก็มีในสงฆมากนะเพราะว่าไม่ได้จำเพาะเจ้าจงต่อพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง <c oughs> แล้วก็พระก็จะอุปโลกกันขึ้นมาครับอุปโลกก็อาจจะมีสองรูปบ้างมีสี่รูปบ้างว่าผ้านี้เหมาะสาหรับพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งที่ว่าอาจจะไม่มีผ้าอจีบอล หรือนะว่าเป็นผู้ที่ <c oughs> มีสติปัญญานะที่จะทํากิจการของกรถินให้รูล่วงไปด้วยดี <c oughs> ต่างๆเหล่านี้ <c oughs> เป็นสิ่งที่เรียกว่าพระอุปโล ก, กันให้เหมาะสําหรับพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งนะแต่ว่าการถวายนี้เราไม่ได้เจาะจงแต่เป็นการลงมาท่ามกลางสงแล้วพระก็จะเห็นสมควรว่าเหมาะกับภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเพื่อที่นาพระไปใช้ให้ถูกต้องตามวิธีการของพระกระถิ่น หลังจากนั้นก็อนิสงส์ต่อมาก็คือการทอดกถิ่นนั้นจะทอดได้เพียงระยะเวลาหนึ่งเดือนเท่านั้นก็คือเป็นกาลทานนะก็คือเริ่มตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำเดือนสิบเอ็ดหรือเป็นวันที่หลังจะอากวันออกพรรษาแล้ว <c oughs> จนถึงวันขึ้นสิบห้า่เดือนสิบสองหรือเป็นวันลอยกระทงนะเป็นเวลาหนึ่งเดือนเท่านั้นที่จะทอดกระถินได้ <c oughs> ถ้าหลังจากนั้นแล้วก็จะทอดกระถินไม่ได้นะ จึงต่างกับการถวายทานอื่นๆน่เช่นพระป่าหรือสังฆทานต่างๆ <c oughs> อันนั้น <c oughs> สามารถที่จะถวายได้ทั้งปีแต่การทอดทิพยนี้ก็ได้เพียงหนึ่งเดือนเท่านั้นจึงจัดเป็นการทานนะเพราะฉะนั้นด้วยในสงฆ์ที่ว่ามีความจํากัดในสิ่งต่างๆเหล่านี้จึงบามีอนันดีสงฆ์มากก็คือเป็นพุทธอนุญาตของพุทธเจ้า <c oughs> เป็นสังฆทานแล้วก็เป็นการทานนะ อันนี้ก็เป็นทานที่เรียกว่ามีความพิเศษในตรงนี้แล้วก็พระที่จะรับกรถินนั้นในวัด น, นั้นจะต้องมีพระอาจรมาัาไม่ต่ํากว่า5รูปนะก็คือตั้งแต่ห้ารูปขึ้นไปนะถาต่ำกว่า5้ารูปก็ก็จะเป็นการที่เรียกว่าเป็นการถวายทอกรถินไม่ได้นะ <c oughs> บางวัดก็จะใช้วิธีเช่นอาจะไม่ครบห้ารูป <c oughs> แต่เวลารับกรถินก็ไปนิมนต์พระวัดอื่นมาร่วมนะนนี้ก็ไม่ถูกต้องนะเพราะว่าเป็นการจำมรรษาตลอดมัรษานั้นจะต้อง อาจารย์มาสารวมกันไม่ต่ำกว่าห้าลูกเนี <c oughs> ่ยการถวายกระถินก็จึงมีอานิสงส์มากแล้วก็ <c oughs> คนก็ตั้งใจที่จะถวายกรถินกันนะเพราะว่าการทอดินนั้นเป็นสิ่งที่เรียกว่า <c oughs> จะต้องมีความสามัคคีกันนะเพราะว่า <c oughs> ในในในยุค ก, ก่อนนั้นก็จะถวายเป็นผ้าขาวแล้วก็นำผ้าขาวนั้นนะมาอามาตัดนะมาตัด มาเย็บนะแล้วก็มาย้อมนะให้เสร็จาภายในวันนั้นก็ <c oughs> เป็นผ้าพ <c oughs> ื้นใดผืนหนึ่งก็ได้ <c oughs> จะเป็นจีวรเป็นสังกสีหรือเป็นสบงผืนใดผืนหนึ่งก็ได้นะทำให้สําเร็จในวันนั้นเราหลังจากที่พอพอที่รับผ้ากรถินมาแล้วทนะําเช่นนั้นสําเร็จแล้วก็องมีการวิธีการการการะถินกันก็คือการผ้ากระถินการผ้านั้นให้เป็นผ้ากระถินนะก็เป็นอันจบ เสร็จสิ้น3กระบวนการนะก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าจะต้องทําด้วยความสามัคคีกันทุกๆอย่างรวมทั้งการก่อนจะจัดงานก็ต้องมีความสามัคคีกันมีการจัดเตรียมสารที่ต่างๆมากมายนะในการที่เรียกว่าจะดําเนินการให้เป็นพีเรียบร้อยนะเพราะฉะนั้นงานนี้ก็จึงต้องอาศัยความร่วมมือทั้งพระทั้งญาติโยมที่จะทําบุญใหญ่นี้ให้สําเร็จลุล่วงไป นะแล้วก็เมื่อสำเร็จแล้วการทอดถิ่นนั้นก็พระก็จะได้รับอา น, นิสงส์ในภากถินในกะถินนั้นด้วยนนี่ก็เป็นได้บุญนะทั้งผู้ที่มาทอดซึ่งเป็นฆราวาสญาติโยมแล้วก็เป็นพระที่ได้รับอา น, นิสงส์วระถิ่นนั้นก็เป็นสิ่งที่เรียกว่า <c oughs> นำนาความสุขความเจริญมาในพระวินัยสงฆ์แล้วก็ความสุขความเจริญความเจริญรุ่งเรือง แก่ญาติโยมที่เป็นเจ้าภาพกรถิ่นนั้นได้บุญกุศลโดยทั่วหน้าพร้อมเพียงกันนะ <c oughs> เพราะนั้นในในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เรียกว่าเป็นฤดูการทอกรถิ่นนะเป็นช่วงแห่งบุญช่วงแห่งกุศลทั้งหลายนะของเรานี่เป็นวัดปฏิบัตินะก็ไม่มีมหรสไใดๆทั้งสิ้นนะแต่ก็มีมีอาจจะมีวัดอื่นๆนก็ จ, จะมีบ้างนะเป็นการเรียกว่าให้สาธุชนมาร่วมกัน หรือบางทีญาติโยมก็มีการจัดมหหรศพต่างๆเป็นการฉลองกรถินฉลองเพื่อที่นำผ้ากระถินนมทอดกันก็มี <c oughs> มหหารศพต่างๆตามมาเนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าบางทแีแต่ในช่วงกรถินนั้นไม่ค่อยมีมหหารศพมากเท่าไหร่นะแต่ว่าหลังจากนั้นก็จะมีบางวัดก็จะจัดงานมหหรศพกันต่าง ๆ, างๆเช่นเป็นงานประจําปีงาน งานวัดประจําปีต่างๆจะมีมหาสพ ต, ต่างๆเต็มที่เลยนะยิงยิงประจัดงานกิ น, นะถราะหลังอย่างนี้ไปแล้วเนี่ยวัดต่างๆก็จะเริ่มมีการจัดงานเ <c oughs> พื่อที่จ ะ, ะเช่นบางทีบอกว่าเขาเชิญร่วมงานมหาวิสพ์ทาบุญปิดทองหรือว่าอะไรทั้งหลายแหล่นี่เป็นงานมหาวิสพ์เพื่อที่จะให้คนมาร่วมงานกันเป็นงานประจําปีนะครับ แต่ว่าจริงๆแล้วไม่รู้ว่าเป็นมหาอุศลหรือว่าเป็นอุศลกันแน่เนาะเพราะว่างานแต่ละงานนั้นบางทีเราจะเห็นมีมหลาลกระศมากมายมีลำตัดมีลิเกมีดนตีมีภาพยนตร์ต่างๆเหล่านี้เป็นต้นมันนี่มันจริงๆแล้วก็เป็นสิ่งที่นามาซึ่งกิเลสทัดด้งนั้นนะมีการสแสดงต่างๆเหล่านี้แหละมันเป็นหนทางที่เรียกว่านากิเลสมาสู่ประชาชนเขา นะเขาเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนเป็นวัดให้กลายเป็นวิคมนั่นเองนะนะก็เลยกลายกลายเป็นว่าวัดในแทนที่จะให้ให้คนเข้าถึงความสงบหรือเข้าถึงสติสมาธิปัญญาก็กลายเป็นให้เขาเป็นกิเลสไปนะตรงนี้มันมันบางทีดูแล้วอจึงไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่นะเพราะว่าเขาเรียกว่า การที่ให้ผู้ใดที่เพิดเพลินไปในรูปรสกลิ่นเสียงผลพรธรรมลมก็คือให้เขาเพิดเพลินในรูปเสียงกลิ่นรสผลพรนี่แหละมันให้เป็นเป็นสิ่งที่เรียกว่าเรานํากิเลสมาสู่เขานะเพราะว่าจริงๆแล้วคนเราเนี่ยมันจะสแสวงหาในพวกนี้อยู่แล้วใช่ไหมคนที่สแสวงหาในพวกนี้ <c oughs> เพราะว่าจิตใจคนเราเนี่ยจะมีตัณหาอยู่ในตัวนะจิตใจมีตัณหาอยู่แล้วนะถ้าเรา เราไม่ไปกระตุ้นเขาเขาก็อาจจะอยู่นิ่งๆแต่ว่าเมื่อมีมการกระตุ้นขึ้นมาเขาก็จะแสดงอาการขึ้นมาให้เห็นว่าเขามีการดิ้นรนเพื่อที่จะไปพบ <c oughs> ไปเห็นในสิ่งเหล่านั้นนะอันนี้มันจะกลายเป็นว่านั่นแหละเป็นหนทางที่จะนําให้จิตใจนมีความเล่าร้อนไปด้วยกิเลสทั้งหลายนะเพราะฉะนั้นผู้ที่กระทําในสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นผู้ที่รับกรรมในตรงนั้นด้วย นะเช่นเดียวกับมีในสมัยพุทธกาลก็มนะีมีนักนักร้องอยู่นะที่เข้าใจว่าตัวเองแนะนําความสุขมาให้กับคนอื่นเขาคิดว่าตรงนี้มันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะก็เลยไปถามพรุทธเจ้าว่าตรงเนี้ยการที่เป็นนักร้องหรือนักแสดงไหนจะได้ได้บุญอะไรนะจะมีการไปเกิดเป็นอะไรพระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงตอบนะ ก็ถามถึงสาครั้งนะพระพุทธเจ้าก็เลยตอบไปว่าตรงเนี้ก็จะนําให้ไปเกิด ใ, ในนรก <c oughs> เพราะว่าการที่เรา <c oughs> เป็นการนักร้องหรือนักแสดงเนี่ยแหละเป็นการทําให้นําความเพลิดเพลินหรือนํากิเลสมาให้กับผู้ที่ได้รับในตรงนั้นนะทำให้จิตเขาเนี่ยเกิดกิเลสตัณหาขึ้นมา <c oughs> ไปเพิ่มกิเลสตัณหาที่ก็มีอยู่แล้วเพิ่มมากขึ้ น, นก็เป็นเหตุให้เราเป็นลงนรกนะ <c oughs> นักนักร้องหรือนักสแสดงนั้นก็มีมีความโศกเศร้ามีความทุกข์ทันทีเลยนึกว่าตัวเองจะไปเกิดในทางได้ดีกับต้องไปลงนรก <c oughs> นะตรงนี้ก็เป็นสิ่งหนึงน่งที่ว่าอ่าบางทีวัดต่งางๆเนี่ยบางทีถ้าไปทําในสิ่งเหล่านั้นก็ จ, จะไม่ถูกต้องนะแม้ว่าเราอาจจะไม่รู้แต่ถ้าเราไปสนับสนุนก็ไม่ถูกต้องนะเพราะฉะนั้นในวัดสายบัติจึงไม่มีในสิ่งเหล่านี้นะเป็นการไปเพิ่มกิเลสนะครับ ประชาชนแต่อย่างไรแม้แต่เป็นการหาเงินข้วัด <c oughs> ในรูปแบบต่างๆในรูปชิงโชคบ้างในรูปการพนันบ้างนะมันก็ไม่คุ้มค่ากันกับสิ่งที่เราทำไปนะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นการให้กิเลสกับประชาชนแล้วก็ไม่ถูกต้องตามพระวินัยที่ว่าไม่ให้ในศีลข้อที่เจแปมีศีลข้อที่7ที่บอกว่าไม่ให้ดูการเล่นต่างๆเนาะ แต่ว่ากลายเป็นเราไปส่งเสริมการะเล่นซึ่งนําความเพลิดเพลินนํากิเลสตัณหาให้กับ ผ, ผู้ได้รับหรือประชาชนเหล่านั้นให้มีมากขึ้นซึ่งเขาก็มีอยู่แล้วแต่เราก็ไปกระตุ้นกิเลสเขานะมันจึงเป็นสิ่งที่ว่าต้องหลีกเลี่ยงในสิ่งเหล่านี้แล้วนอกจากหลีกเลี่ยงแล้วก็ต้องทํานําให้เขาเกิดเกิดศีลเกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญา เพราะนั้นถ้าในในความเป็นจริงนะก็คือวัดที่มีการจัดงานทั้งหลายแหล่ก็ควรจัดงานเป็นกุศลมากกว่านะ <c oughs> บางทีก็มีวัดต่างๆนะก็จัดงานเช่นฉลองโบสถนะ์ปิดทองฝังรุ่นนิมิตนะก็มีมหาสบฉลองมากมายบางทีฉลองทีหนึง่งนอะ่าวันหรือ10กว่าวันหรือบางทีนานกว่านั้นอีกนะ <c oughs> ก็เลยบางทีสมัยก่อนก็เลยมีความคิดคือเมื่อก่อนก็เคยไปช่วยวัดป่าอยู่ตอนนี้ยังเป็นฆราวาสไปช่วยวัดป่าอยู่ก็มีการเสนอต่างๆว่าควรที่จะจัดงานบ้าง น, นไหนๆจะฉลองโบสถ์แล้วก็ยังเป็นนี่เป็นสินก็อยู่เยอะจัดงานบ้างไม่เป็นไรหรอกให้คนมาร่วมงานกันจะได้ปัจจัยสมัยนั้นอาตมาก็ไม่เห็นด้วยก็เสนอว่ามันไม่ถูกต้องในสายวัดป่าที่จะจัดงานเช่นนั้น ก็พอดีทางวัดก็เห็นด้วยนะแต่ว่าไม่ค็มีคนพูดกันพอเสนอแบบนี้ก็เราจะทำอย่างไรนะก็คือให้เป็นการทำไปก็แล้วกันมีคนมากหรือคนน้อยได้ปัจจัยมากหรือปัจจัยน้อยก็ไม่จำเป็นไม่สำคัญแต่ว่าให้ทำให้ถูกต้องก็แล้วกันนะถ้าเราทำถูกต้องแล้วปัจจัยก็จะมีมาเองเพราะยังเป็นหนี้คนก็อยู่นะถ้าเราทำถูกต้องแล้วคนก็คงจะมาทำบุญกันเองนะ หลังนัก็มีการจัดงานมาบบสบายๆมีการปฏิบัติธรรมบวชชีพามนะก็คนก็มากันมาฟังธรรมแล้วก็นิมนต์พระในสายปฏิบัติมาแสดงธรรมกันนะถึงถึงคนไม่มากแต่ก็ผ่านไปไ ด, ดีแล้วก็ถูกต้องนะพลังนั้นก็คนก็เข้าใจนะวัดนี้ก็จัดงานอ่านะคือคือเป็นวัดที่อยู่ใกล้ใกล้กรุงเทพนะมันไม่ได้อยู่ไกลคนก็เลยแปลกใจทําไมวัดนีนะ้ตัดปิดทองอ่านะ ปัดลูกนิมิดนะปิดทองฝังลูกนิมิตรซึ่งเป็นงานใหญ่ที่อื่นก็จัดงานมาเผาศพกันใหญ่โตมีคนไปกันเยอะแยะได้เงินกันมากมายทํำไมวัดนี้ถึงจัดงานแบบนี้เงียบๆมีคนปฏิบัติทำกันก็ไม่เยอะเท่าไหร่แล้วไม่มีมผาสพอะไรเลยคนก็เลยงงเอ๊ะมันแตกมากเลยไม่เหมือนวัดอื่นนะหลังนั้นคนก็ค่อยๆเข้าใจว่านี้เป็นวัดปฏิบัติคือทำไมก่อนวัดปฏิบัติในมีน้อยบนะางคนเห็นเริ่มจัดงานแบบนี้แปลกๆคนก็เลยเริ่มสนใจเข้ามาแล้วมาทําบุญกัน ในสุดวัดนั้นก็สามารถที่จะปลดหนี้ปลดสินได้เนาะอันนี้จะเห็นว่าจริงๆแล้วมันถ้าเราทําให้ถูกต้องก็จะมีคนเข้าใจเองไม่ใช่ว่าไหลไหลไปตามกระแสะโลกตามกิเลสต่างๆนะเห็นวัดนั้นจัดงานกันวิธีมาผสมไ้ได้เงินเยอะก็ตามเข้าไปนะซึ่งมันไม่รู้ว่าเป็นความถูกต้องหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นชาวพุทธก็ต้องยึดความถูกต้องนเป็นหลักนะชาววัดก็ต้องยึดความถูกต้องเป็นหลักอันนี้ก็จะนําให้พุทธศาจเจริญไป ไม่ผิดทางอันนีเพราะฉะนั้นการจริงๆแล้วก็คือกลับมาสู่ตัวเรานะว่าเราจะทําอย่างไรเราจะเพลิดเพลินไปในทางไหนพระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ใดที่เพลิดเพลินในรูปรดกลิ่นเสียงโผฏฐพะธรรมลมผู้นั้นไม่อาจจะพ้นจากความทุกข์ได้ผู้ใดที่เพลิดเพลินไปฉะนนั้นเราชื่อว่าเป็นผู้ที่เพลิดเพลินในความทุกข์ผู้ใดเพลิดเพลินในความทุกข์ เรากล่าวว่าผู้นั้นไม่อาจจะพ้นจากความทุกไปได้นะส่วนผู้ใดที่ไม่เพลิดเพลินในรูปรดกลิ่นเสียงผนธพะธรรมลมผู้นั้นชื่อว่าไม่เพลิดเพลินในความทุกขผู้ใดที่ไม่เพลิเพลินอยู่ในความทุกขผู้นั้นเรากล่าวว่าจะพ้นจากความทุกไปได้นะเพราะฉะนั้นเราจรึงต้องมาสังเกตอาใจเราว่าเราเพลิดเพลินไปในรูปรดกลิ่นเสียงผนธภะธรรมรมไหมนะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันจะปรากฏขึ้นมากับเราได้บ่อยๆนะ บางทีตาเราเห็นรูปนะเห็นสิ่งที่เราชอบใจนะอาจจะเราอาจจะเห็นอย่างผู้ชายจะเห็นผู้หญิงสวยๆงามๆนะเราก็ต้องอสังเกตว่าใจเราเข้าไปในในรูปนั้นไหมนะเราไปยินดีในรูปนั้นไหมนะมันเป็นสิ่งที่ว่าจิตเราไหลเข้าไปในรูปนั้นไหมนะแล้วมันจะเกิดความยินดีร้ายตามมันจะรู้ทันไหมก็คือเมื่อตาเห็นรูปแล้วนะหรือหูได้ยินเสียงนะลิงกระทบรถ กายกระทบ <c oughs> ย็นร้อนอ่อนแข็งจมูกได้กลิ่นใจคิดนึกจริ ง, รงๆแล้วมันจะมันอยู่ที่ใจทั้งนั้นเลยนะคือสิ่งตาเป็นแค่ประตู6ประตูแต่ว่ามันจะรวมที่ใจเพราะฉะนั้นถ้าเราสังเกตที่ไหนไม่ได้มันก็มาสังเกตที่ใจนั่นแหละตาเห็นรูปเนี่ยใจมีความกระเพื่อมไหมหูได้ยินเสียงอใจกระเพื่อมไหมตรงนี้ถ้าเราสังเกตเป็นจิตมันก็จะไวขึ้นนะมันสามารถที่จะสังเกตสิ่งเหล่านี้ได้ พอสังเกตสิ่งเรานี่ได้เมื่อเรารู้ทันแล้วเขาก็จะลดน้อยลงไปเหมือนกับในสมัยพุทธกาลที่มีพระโปธิละพระโปทิละเนี่ยเป็นพระที่เป็นนักเทศเป็นพระที่สามารถพูดธรรมะได้ดีนะแล้วก็สามารถพูดธรรมะให้พระองค์อื่นในบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้แล้วนะหลายองค์ด้วยแต่ตัวเองก็ยังไม่ได้บรรลุเป็นพระพาริยเจ้าอะไรเลย พอไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธ เ, เจ้าจะเรียกว่าเออไบรานเปล่ามาแล้วหรือไบรานเปล่าจะกลับแล้วหรือนะท่านปพิละก็มีความสะเทือนใจว่าตัวเองเป็นแค่ไบรานเปล่าเท่านั้นเองก็เลยจะหาผู้ที่มาสอนธรรมะตัวเองให้บรรลุเป็นพระรยเจ้าบ้างนะก็เลยไปขอให้ลูกสิทธิ์ต่างๆที่เป็นพระรยเจ้ามนาะสอนก็ไม่มีใครสอนนะจนตอนหลังไปเจอสามเณรน้อยนะซึ่งสามเณร น, น้อยนี่เป็นพระรหัสแล้ว ไปขอสา ม, มนเณรนีน่สอนสามเณรก็รู้ว่าเออจะละความละทิฐิได้ไหมเพราะตัวเองเป็นครูบาอาจารนนย์คนหนึ่งจะไม่อยากสอนเพราะว่ามีทิฐิอยู่ก็เลยทดลองมาว่าอขอให้เดินลงไปในในในสระน้ําอ่าทั้งได้ห่มจีวรนั่นแหละพระโพธิละ <c oughs> ก็เดินลงไปนะเดินลงไปในสระน้ําะจนถึงอกแล้วสามเณรก็เรียกให้ขึ้นมาได้บอกว่าเนี่ยใช้ได้แล้วเพราะว่าละทิฐิได้แล้วอ่าก็เลยสอนบอกว่า มีจอมปลวกอยู่นะมีรูอยู่หกรูซึ่งไม่มีตะกรวดอยู่ข้างในอจอมปลวกนั้นนะแล้วครานี้เราจะจับจะจับให้ตัวตะกรวดนั้นได้อย่างไรนะท่านปุรลักก็พิจารณาใครควรแล้วก็บอกว่าเออก็ต้องปิดห้ารูนะจนเหลืออยู่รูเดียวแล้วเราก็คอยจับรูนั้นนะ่ะตัวตะกรวดมันต้องออกมาในรูนั้นแน่ ๆ, ๆก็จะจับจับตัวตะกรวดได้นะอ่า ตรงนี้ก็คือสามเน่ก็เป็นการบอกว่าจริงๆแล้วในตาหูจมลิ้นกายใจมันก็คือมันก็จะมารวมอยู่รูเดียวก็คือที่จิตเรานี่แหละจิตเรานี่มันสามารถที่จะเป็นเป็นตัวรู้นะก็คือจิตนี่จะเป็นผู้ผู้รู้ได้คือจิตนี่ก็เป็นสภาวะหนึ่งที่เป็นเขาสามารถที่จะรับรู้ในสภาวธรรมต่างๆได้เป็นสภาวะที่เขารู้นะ แล้วในขณะนี้นก็เปสภาวะที่ก็หลงด้วยหลงได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นการที่เราสามารถที่จะรู้เท่าทันกินเลย ข, ขึ้นมาในใจของเราเนี่ยหละมันเป็นหนทางเดียวที่เราจะพ้นทุกข์ได้นะเพราะเสียงต่างามันจะรวมอยู่ที่ใจทั้งนั้นนะครั้ น, นี้ท่านก็สังเกตในตรงนั้นปุ๊บก็เห็นความไม่พอใจเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นในใจหรือความพอใจเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นในใจโดยอาศัยไอย้นั่นั้นอ่างหกนั้น เมื่อท่านรู้เท่าทันสิ่งเหล่านี้ได้บ่อยๆได้มากขึ้นก็เห็นพระไตรลักษณ์ก็คือเห็นความไม่เที่ยงที่ว่าเราบังคับจิตใจไม่ได้เลยเขาเป็นเช่นนั้นของเขาเองเขาก็มีการปรุงแต่งเป็นในรมต่างๆเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่ว่าเราไปปรุงแต่งแต่จิตใจเขาก็ปรุงแต่งไปตามเหตุตามปัจจัยที่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงมันก็เกิดเวทนาอุปทานเวทนาตัณหาอุปทานตามมาเป็นสภาวะธรรม ที่เป็นไปตามเหต men, kommen, ุตามปัจจัยเช่นนั้นเห็นความไม่เที่ยงในตรงนั้นเห็นความทุกข์ที่ทนในภาวะเดิมไม่ได้เพราะสิ่งนั้นมาแล้วก็ไปความพอใจมาแล้วก็ไปความสุขมาแล้วก็ไปความรักมาแล้วก็ไปไม่มีสิ่งใดเที่ยงแท้ถาวรเพราะว่าเข้าทนในภาวะเดิมไม่ได้เขาก็เป็นทุกข์ในสภาวะนั้นอยู่แล้วเห็นสภาวะที่บังคับบัญชาไม่ได้นะเพราะสิ่งต่างนั้นเราบังคับบัญชาเขาไม่ได้เลย อารมณ์ต่างๆเป็นไปตามที่สภาวะที่เราบังคับก็ไม่ได้จะให้เขาดีทาวรก็ไม่ได้นะจะให้เขามีความสุขถาวรก็ไม่ได้ความทุกข์ต่างๆจะให้เขาหมดไปมันก็หมดไม่ได้นะเขามาแล้วก็ไปทั้งนั้นเป็นสภาวะที่เราบังคับบัญชาในสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เมื่อบังคับบัญชาไม่ได้เขาจึงไม่ให้ตัวเมตตนของเราเมื่อเข้าถึงสภาวะที่ไม่ใช่ตัวเมตตนแล้วจิตก็เข้าใจอภัยรักษณคืออันนี้จังทุกครังตาในสภาวะที่มันไม่ใช่ตัวเมตตนนะตรงนี้ อาจิก็เกิดการปล่อยการวางเมื่อเกิดการปล่อยการวางก็เกิดการหลุดพ้นขึ้นมาในสุดท่านก็เป็นรูกเป็นพระรหันต์เพราะลรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราว่าสิ่งต่างนั้นการหมายธรรมทั้งหมดก็เพื่อให้เห็นปไตรักษณ์นั่นเองกลับมาเห็นความจริงในสภาวะที่เราบังคับบัญชาก็ไม่ได้เขาจึงไม่ใช่ตัวไม่ตนของเราแต่ตามใดที่เรายังเห็นว่าเราสามารถบังคับบัญชาได้อยู่นั่นแหละก็คือยังเป็นตัวเป็นตนเป็นมานะเป็นอัตตาของเราอยู่ มันก็จะไม่เกิดการปล่อยการวางนะเพราะฉะนั้นถ้าเรามาเข้าใจในตรงนี้แล้วนะก็คือเราเห็นเมาตไตรลักษณแล้วมันจะเริ่มปล่อยเริ่มวางนะมันจะเป็นการที่เรียกว่าเราเห็นกลับมาเห็นความจริงความจริงก็คือสัจธ ร, รรมซึ่งปรากฏขึ้นมาอ่าสัจธรรมนั้นก็คือความไม่เที่ยงค ว, มม uk, ความเป็นทุกข์ความเป็นนัตาไม่ตัวไม่ตนนั่นเองนะตรงนี้ถ้าใครเข้าใจตรงนี้จิตจะเกิดการปล่อยการวางอ่าการคลายออกจากการยึดติด นี่แหละเป็นคนทา ง, างแห่งความพน้นทุกข์นะเพราะฉะนั้นเมื่อเราไปบัตรธรไปแล้วนะขนทางต่อไปก็คือเราจะต้องเข้ามาเห็นมมไตาลักษณ์ให้ได้นะถ้าเราไม่เห็นเมตตาลักษณเราก็จะติดอ ย, อยู่ในแค่การที่เป็นสมถะเท่านั้นก็คือการที่เราไปคอยบัง ค, บคับเขาให้เขาเป็นไปตามที่เราต้องการแต่เราก็ไม่เห็นความจริง Dad. ไม่เห็นความจริงความจริงก็คือการที่เราบังคับเขไม่ได้นั่ น, น, นแหละ matt. คือการที่เราเห็นว่าเขาเป็นเช่นนั้นของเขาเอง เขาเป็นของเขาไม่ใช่เราไปทําให้เขาเป็นอย่างเราต้องการนะเนี่แหละคือความจริงที่เราเห็นตามภาวะตามความเป็นจริงเขาเรียกว่าเห็นธรรมชาติของจิตธรรมชาติของจิตที่สามารถที่จะไหลไปได้เองเราบังคับเขาไม่ได้เลยเขาก็ไหลไปไหลามานั่นแหละไหลไปทางตาบ้างทางหูบ้างทางลิ้นทางจมูกต่างๆเขาไหลเขาเองเพี่ท่านรู้ทันการไหลนั่นแหละเขาเรียกว่าเรารู้ทันกิเลสนะเพราะกิเลสเนี่ยเขากลัวอย่างเดียวเท่านั้นเองว่าเรารู้ทัน พราะถ้เรารู้ทันแล้วเนี่ยเขาจะไหลต่อไปลําบากนะเราก็จะจะเริ่มหยุดนะเขาจะดิ้นรนต่อไปไม่ได้นะเขาจะแสดงอาการตันหาให้เราเห็นไม่ได้นะเพราะฉะนั้นการที่เรารู้ทันการไหลไนั่นแหละนะตรงนี้จะทําให้เขาหยุดนะหยุดตันหาหยุดการดิ้นรนนะหลังนุประทานก็จะเริ่มลดลงน้อยลงแล้วในสุดอุปทานก็จะหมดไปคือความยึดติดในสภาพวัธรรมต่างๆก็จะหมดไปนะ เมื่อการยึดติดในสภาวธรรมต่างๆหมดไปนั่นแหละคือการไม่มีพบไม่มีชาติตามมานะก็คือเราไม่ต้องเวียนบ่ายตายเกิดใหม่เพราะเราจรึงต้องรู้ทันสิ่งต่างที่เกิดในใจเราให้ดีนะการกระเพื่อมการขึ้นการลงของจิตเป็นอย่างไรรู้ให้ทันอารมณ์ต่างนี่แหละมันเป็นหนทางแห่งความพ้นทุกข์ที่แท้จริงเพราะนั้นในท้ายสุดนี้ก็ขอลาธนาบารมีคุณบารมีไตน้อมนําทุกท่านเจริญด้วยศีลสติสมาธิปัญญากระทึงซึ่งความพ้นทุกข์ได้โดยเร็วพันทุกท่านเทิด